สร้างมาได้เป็นปีที่ที่หก น, น, นะนะหจะเข้าปีที่เจ็ดแล้วแังนั้นก็รู้สึกว่าประสบความสำเร็จรบดีเอืออำนวยให้กับพระสงฆ์อย่างท่านจกคุณอุดรรองเจ้าอาวาสวัดโพธิสมพรท่านก็ไป น, นอนป่วยอยู่ที่นั่นสีปีกว่าแล้วอยู่ในตึกเนี่ยนะ ชั้นตึกสงอาพาธที่หลวงพ่อไปสร้างไว้เนี่ยแล้วก็ตั้งเป็นมูนิธิไว้เนี่ยแล้วก็ครูบาอาจารย์หลวงปู่ศรีมหาวีโรก็เคยเข้าไปห้องนี้แล้วก็เดี๋ยวนี้หลวงปู่สิงห์สิงห์ทองบ้านกุดแแห่อเภอเลื่องนกทาจังหวัดยะโสธรท่านก็เวียนเข้าออกอยู่แล้วก็ครูบาอาจารย์หลายหลาองค์ที่เข้าไป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 สรุปแล้วก็คือจะตุปปัจัยหมู่นิธิเนี่ยก็มันจำเป็นบางครั้งสำหรับพระเถระผู้ใหญ่ป่วยแบบกระทันหันทุกสิทธิลูกหายังรวบรวมกันไม่ทันเนี่ยต้องอาศัยหมู่นิธิหรือทุนนิธิไปพรังพลางก่อนเนี่ยอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งที่หลวงพ่อจะได้ไปไประชมุมหาหรือกับคณะกรรมการคณะแพทย์หรือคณะสัทธาญาตโยมทุกสิทธิลูกหาใช้ช่ว ย, ช, วยช่วยกันคิด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 พยามัจยุราชถือดาบเดินย่องตามหลังเราอยู่มาตลอดเราก็แก่แก่แก่ไปเรื่อยเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายอย่าตั้งอยู่ในความประมาทถึงจะหนาวถึงจะร้อนฝนตกฟ้าร้องยังไงก็ให้ให้ภาวนาให้นึกถึงอนิจจังทุกขังอนัตตาเกิดแก่เจ็บตายเอาไว้ชีวิตของพวกเราเห็นไหม ใครอยู่โช์ฟ้าดินสลายพวกเราเห็นไหมตายไปก่อนเราไม่รลูกกี่คนวันวานมันก่อนกันสามสิบกว่าบางคนน่ยก็หกสิบกว่าเนะอยังน้อยมากหลวงพ่อน่หกสิบเก้าแลยวอไมไม่ใช่ธรรมดาเหมือนกันนะ่ะเพราะนั้นชีวิตของพวกเราอย่าไปคิดว่าอายุเท่านั้นเท่านี้จะตาย มันตายได้ทุกเวล่ำเวลาเหมือนกับผ ล, ลไม้อย่างที่หลวงพ่อเปรียบเทียบผลมะม่วงอพอออกดอกมาเม็ดเล็กๆมันก็หล่นได้เท่าเม็ดเ้าโพดมันก็หล่นได้ใหญ่ขึ้นมาก็หล่นได้แต่มะม่วงทุกใบไม่มีใบไหนข้ามปีหล่นทุกใบนี่ก็เหมือนกันพวกเราเกิดมาแล้ว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 ถ้าไม่คิดเน่ยถึงวันนั้นมาเน่มันจะสถานวันไหวแ ก, งกว่งโวยเกินไกลร้ลองโม o ร้องไห้กัเท่านั้นหัวเราะก็เท่านั้นเสียใจก็เท่านั้นอพราะนั้นถ้าเราคิดไว้ก่อนอีกสักวันหนึงนะเรานะจะท่องถึงวันนั้นถ้าเราคิดไว้อย่างนี้ในใจเสมอนั่นแหละถึงจะมีวันนั้นขึ้นมาเราก็รับได้คล้ายๆว่า ทำใจได้เพราะเราได้คิดไว้อย่างมากมายว่าพอแรงแล้วแต่โดยมากก็ายากนะผูกท้งนี้ทางนั้นมันพูกได้แต่มันถึงวันนั้นจริงๆของเจอของจริงเข้าจริงๆน่มันไม่ใช่ธรรมดาเหมือนกันนะเพราะนั้นพวกเราเตรียมไว้เต็มเนินๆให้ภาวนาเอาไว้ร่างกายสังขารมันไม่ใช่ของเราอีกสักวันหนึ่งะต้องทิ้งมันต้องไปสู่สภาพของมันดินน้ำลมไฟ แต่มีแต่ใจเท่านั้นคือนามมาทำตัวผู้รู้อยู่เนี่ยตัวรู้รู้น่ยตัวนี้แหละสาคัญในหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าในหลักธรรมคาสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์แล้วท่านให้ความสําคัญเรื่องของใจที่ตัวรู้รน่ยตัวนี้แหละสําคัญกว่าพระพุทธเจ้าไปค้นคว้าศึกษากัานนไปค้นคว้าศึกษาตัวรู้รเนี่ย น, นะยตัวนี้แหละท่านจึงให้ความสําคัญ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 มันดูเหล่านั้นคือดูอปลายมือเฉยๆแต่ดูต้นตอของเรื่องของเรื่องกัให้ดูใจนั่นนะะตัวผู้รู้ให้ดูเข้ามาจุดนี้จุดนี้แหละเป็นจุดที่ตัวที่ตัวการใหญ่ที่จะรู้มรู้ผลปล่อยวางอยู่จุดนี้ล่ะอันรับพรอนโมธนาให้พร